222ผู้ยังหลงรสอร่อยในเวทนานี่แหละที่ยังวิปลาสความวิปลาสทางปรมัติธรรมนี้เป็นความเข้าใจผิดเพี้ยนไปจากสัจจะจริงจึงเป็นการยึดติดอุปาทานกลายเป็นอุปาทานในขันหที่สำคัญคือเวทนาหรืออารมณ์ความรู้สึก พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติคำสอนเน้นหรือสรุปลงที่การปฏิบัติให้เรียนรู้เวทนาที่มันวิปลาสในอารมณ์ที่มีอุ ป, ปาทานเวทนูปาทานนักขันธาและให้เรียนรู้เวทนานี่แหละสำคัญดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะสองเหล่านี้ รวมเป็นอันเดียวกันกับเวทนาโดยส่วนสองนพระายบิดกชบับหลวงเล่มสิบข้อ60หรือธรรมะสองอย่างนี้ทั้งสองส่วนรวมลงเป็นอย่างเดียวกับเวทนาในพระตรบิดกฉบับมหาจุลาลองกรเล่มสิบข้อ112ที่แปลมาจากบาลีเดียวกันคือทเวธรรมาทเวเยนะ เวทนายะเอกสโมสารนาพวันติและพระพุทธเจ้าท่านตรัสให้ศึกษาจากเวทนาในเวทนาที่พระองค์แกกแกงไว้ถึง108เวทนาซึ่งศึกษาได้จากพระไตรปิฎกเล่ม21เข้อ199เล่ม35ข้อ1033และเล่ม13ข้อ99 เล่ม18ดข้อ412ข้อ425ด้วยเล่ม18ข้อ437อีกท่านว่าในวิสุทธิมรรคของท่านพุทธโคสาจารย์ก็มีด้วยผู้สนใจโปรดค้นคว้าเอาเถิดและในมูลสูตรสิบเป็นต้นเวทนาเป็นที่ประชุมลงเล่ม24ข้อ58 หรือในพระไตรปิฎกเล่มอื่นๆก็ทรงอธิบายถึงการประชุมลงนี้ซึ่งคนในโลกที่หลงอยู่ในเวทนาที่เป็นมโนปวิจารสิบคือเคหะสีตะเวทนา18แปแล้วตนก็ไปหลงติดยึดอารมณ์นั้นนี่แหละที่ต้องเรียนรู้ความเป็นสัจจะ ที่เป็นอาการอันอ่านได้ในจิตใจตนเพราะเป็นพลังงานชีวะทางจิตที่มันทำงานของมันอยู่ในตัวตนของตนให้ผู้พยายามภาคเพียรศึกษาได้ทุกคนที่สำ ม, มาทิฏฐิการเรียนรู้ตัวตนรู้ตน น, นั้นเรียนรู้ตรงนี้ เรียนรู้อาการของกายของเวทนาของจิตของธรรมะนี้แลเป็นเป้าสาคัญจะได้พิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมจนสามารถรู้จักรู้แจ้ ง, ร, จงรู้จริงเหตุแห่งวิปลาสที่มันพาทุกพาชั่วกันหลัดหลัดในปัจจุบันนั่นเลย แล้วปฏิบัติจัดการกำจัดเหตุแห่งความวิปลาสจริงนั้นจึงจะพ้นความวิปลาสทางปรมาทสัจจะได้แท้รสอร่อยที่วิปลาสกันนะักก็จะได้รสละจางคลายหายไปถึงขั้นดับสนิทจริงจนกระทั่งเที่ยงแท้ย่างยืนตลอดไปไม่เช่นนั้นรสอร่อยรสยินดีในเบทนา ก็ยังทำให้คนหลงเสพสุขเทศสุขอนิกะเป็นคนวิปรายาอยู่ตราบนั้น